มีใครไม่เคยมาเลยไหมมีไหมคนที่ไม่เคยมาเนี่ยเคยฟังซีดีไหมมีใครไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยมีไหมโอ้มีหนึ่งคนนะคนเข้าวัดหายากนะไม่เคยฟังเลยอาลาบากเรียนเรียนให้รู้เรื่องนะเราง่าย ที่ยากประคิดมากคิดมากยากนานศา ส, สนาพุทธสอนอะไรคำหนึ่งสมเด็จยานท่านเคยเขียนนะพระสีนครินทร์ท่านอาราธนาให้เขียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านท่านเขียนเอาไว้ดีแล้วสอนอะไรสอนอริยสัจสิสอนไปเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงสอนอะไรท่านสอนถ้าตัวเนื้อหาธรรมะนะท่านสอนอริยสัจ อริยสัตเป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดมีพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อรอยเท้าช้างชื่อหัตถิปทโท ป, ปะมัสสูตรชื่อยาวมากหัตถิปทโท ป, ปะมัสสูตรท่านสอนบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์บกนะสัตว์น้ํามันก็มีรอยเท้าเหมือนกันแต่ว่า ม, มีไม่กี่ชนิดที่มีเท้าบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย หยีบลงไปได้ในรอยเท้าช้างอันนี้เพราะสมัยพุทธกาลไม่มีไดโนเสาร์แล้วหมายถึงธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะที่ท่านสอนเนี่ยมันรวมลงในอริยสัจย่อๆก็คือท่านสอนเรื่องทุกข์เกิดความพ้นทุกข์สอนเรื่องทุกข์เกิดความพ้นทุกข์ทุกข์ก็มีถึงเหตุของทุกข์แล้วก็ตัวทุกข์ความพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็สอนถึงวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็ตัวของความพ้นทุกข์คือตัวนิพพานสอนได้สองกลุ่ม นี่ตัวมรกเนี่ยย่อๆออกมาก็มีศีลสมาธิปัญญาต้องทำศีลสมาธิปัญญาต้องเรียนนั่นเองเรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาเรียนแล้วน่าจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิย่อ ๆ, ๆลงไปอีกนะคือทำสมถากวิปัสสนาตรงภาวนาเนี่ยภาวนาก็มีสองส่วนสมถากวิปัสสนา ตรงนี้ัชนาเนี่ยถ้าทําถูกต้องนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดปัญญาเกิดผลมีปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันนะเบื้องปลายเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันท่านจะเข้าใจความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปงั้นข้อหนึ่งที่จิรัตถามนะมันคือภูมิธรรมของพระโสดาบัน เป็นผลแลเป็นผลจากการเจริญสติไม่ใช่ให้ทำตัวมันไม่ใช่ให้ทำความรู้นี้ขึ้นมาน ะ, จะเจริญสติไปแล้วผลที่เกิดขึ้นคือมีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่ความรู้ความเข้าใจของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งในใั้นดับส่วนพระอราหารันเนี่ยท่านจะแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพาน พระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งเห็นบ้างแต่ว่าไม่แจ่มแจ้งเป็นเบื้องต้นภาวนานะจะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเบื้องปลายก็จะเกิดปัญญาไปเห็นแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นธรรมะมีหลายระดับนะมีหลายขั้น แ, แรกเลยวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของธรรมะนะภาวนาไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงนะเบื้องต้นพ้นทุก เบื้องปลายดับทุกพ้นทุกเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่ดับทุกคือพระอรหันต์ที่ท่านดับขันแล้วพ้นทุกเนื้อพระอรหันต์มีขันไหมมีแต่ว่าจิตของท่านพ้นจากขันเพราะงั้นท่านพนจักทุกเบื้องปลายนี้ดับขันก็ดับทุกตัวขันนั่นแหละตัวทุกธรรมะประณีตนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังอย่าเน้นเอาเองมั่ว เนี่ยมั่วอย่าไปเอาอย่างวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งผลของการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งอย่าไปปนกันถ้าปนกับเรายุ่งตายเลยอย่างมีถามหลวงพ่อบอกว่าเราภาวนาเพื่ออะไรนะโชคชะศาสนาสอนอะไรกันแน่สอนให้เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจของพระโสดาบันทุกอย่างมาแล้วไปนี่เกิดระดับนะหรือข้อสองเนี่ยสอนให้จิตสำเนียกสภาพดั้งเดิมของจิตเดิมแท้นะไม่ได้สอนให้สำเนียกนะมันสำเนียกเองมันเป็นผลแะ้วนะถ้าเห็นนิพพานนะก็จะเห็นจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ไปเห็นนิพพานคําว่าจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นคําซึ่งไม่มีในพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาส ฝ่ายเทรวาสพูดถึงจิตพระอราหารนันต์พูดถึงมหากริยาจิตแค่มหากริยาจิตเกิดระดับนะนี่ทางฝ่ายเซนทางฝ่ายอะไรนี้เขาพูดถึงจิตเดิมแท้คือจิต ท, ที่พ้นความปรุงแต่งนะถ้าอนุโลมเมาก็คือมหากริยาจิตแต่ว่ามันมีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นธาตุธาตุรู้ จะเรียกว่าอะไรก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้อะไรก็ได้เป็นธาตุรู้ธาตุรู้มันเข้าคู่กับธรรมธาตุคือธาตุของธรรมอันนี้ไม่มีในคำสอนของฝ่ายเทราวาทเราไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้แร้แต่พูดถึงธาตุธรรมคือพระนิพพานเนี่งั้นเวลาเราเรียนนะเรารู้นะวัตถุประสงค์ของการเรียนเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะสิ่งที่เราต้องทานะเราก็พัฒนา ศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะหรือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องแผ้วขึ้นมานะพูดได้หลายดิเมนชันหลายแงย่หลายมุมนะหลายมิตินะรวมความก็ทำอันใดอันหนึ่งครบเซตของมันก็คือทำทั้งหมดละมีศีลสมาธิปัญญาครบมันก็คือครบนะละชั่วทำดีทำจิตผ่องแผ้วได้ก็ครบเหมือนกันนะนี่จเจริญไปนะวิธีที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์กนะ็จเจริญสติไปวิธี ที่จะละชั่วทําดีทําจิตฟองแผ่วนะก็จะเจริญสติไปถ้าจเจริญสติไม่ได้ละชั่วไม่ได้จริงหรอกได้แต่ข่มความชั่วเป็นคราวๆทาดีไม่ได้จริงหรอกบางีแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ชั่วแทรกเข้ามาละเช่นเห็นคนอื่นเข้าใต้ดิบได้ดีก็โมทนาโมทนามันดีหลายทีชักอิจฉาล้วมัท น, นไม่ได้หรอกหรือเห็นคนนี้ตกทุกข์ได้ยากสงสารเขาไปแนะนําแนะนําเขาเขาไม่ฟังก็โมโหละ กุศลเนี่ยพลิกเป็นอกุศลได้เสมอเลยถ้าขาดสติเพรนั้นแรงงานของเรานะมีสติไว้มีสติไว้แล้วก็ยังทำสองอย่างอันะนึงทําสมถะนะสมถะก็ต้องมีสติถ้าสมถะขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยใช้ไม่ได้อย่างที่พวกเรานั่งแล้วเคลิ้มเคลิมนี่ใช้ไม่ได้เลยเพราะนั่งแล้วต้องรู้เนื้อรู้ตัวเดินรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวโดยไม่ได้บังคับไว้มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวกัน สงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันเป็นสมถะจิตยอมไปมีความสุขมีความสงบนะต้องเลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบจิตมันชอบอะ่ะไม่ใช่เราชอบนะที่จิตมันชอบอย่างบางคนนะจิตชอบพิจารณาสุภาพิณารสุภาแล้วสงบแต่เราไม่ชอบเรากลัวผีให้ไปนั่งป่าช้าอะไรเนี่ไม่ชอบเลยนะไปเห็นลดน้ําศพบางคนยังไม่ชอบเลยแต่จิตมันชอบพอเข้าใกล้แล้วสงบ อย่างนี้สมควรทำยังไงดีจิตมันชอบแบบนี้จิมนชอบงี้เอาสิเรากลัวผีดูไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยววันหลังก็ไม่กลัวเองแหละแต่จิตมันเข้าใกล้ไปเห็นศพรถทับมาเละๆพองๆเวลาศพถูกรถทับ น, ะนั้นเน่าเร็วมากเลยเร็วกว่าศพธรรมดาแป๊บเดียวน้อก็เน่าเราก็ไปดูได้จิตใจสงบนี่ถ้าจิตมันชอบ บางคนจิตมันชอบพุทโธแล้วก็อยู่กับพุทโธจิตมันชอบหายใจก็อยู่กับลมหายใจจิตมันชอบท้องฟองยุบ hmm. ก like ็อยู่ก mm ับท้องพองยุบไปอยู่อารมณ์ที่จิตชอบนะจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปจิตเสพอารมณ์ที่มันชอบนั้ไม่หนีไปเที่ยวได้สมถะนะอย่างนี้ก็มีสติอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าทํำวิปัสสนานะกก็มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นต้องดูอยู่ห่างๆนิดนึง แต่ตรงจิตตั้งมั่นก็มีสองพวกนะพวกหนึ่งตั้งทรงเด่นอยู่เลยพวกนี้ทรงฌานอยู่ก็ออกจากฌานแล้วจิตจะทรงเด่นอยู่นานอีกพวกหนึ่งไม่ได้ทรงฌานตั้งเป็นขณะขณะเนี่ยคณิกะสมาธิเป็นขณะขณะแค่นี้ก็นิพพานได้ถึงมรรคนิพพานได้ถึงพระอราหันต์ได้เวลาที่เราจเจริญสติเนะี่ยเราจะดูถูกสมาธิชั่วขณะนะเวลาที่เราจเจริญสติในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สมาธิชั่วขณะหนึ่งทีละขณะทีละขณะ เดี๋ยวรู้สึกตัวขึ้นมาใจตั้งมัน่นได้แวบหลงไปอีกแล้ไหลไปพอรู้ทันสติะระลึกรู้ว่าใจไหลไปนะใจก็ตั้งขึ้นอีกแวบแวบแวบแวบตลอดวันนล้นะมีแต่ไหลไปแล้วก็ตั้งไหลแล้วก็ตั้งแค่นี้พอละถึงว่าหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นเลยจิตไหลไปห้ามไม่ได้จิตตั้งมั่นสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่เกิดแล้วดับจิตหลงไปกับจิตที่ตั้งมัน่นเท่าเทียมกันขึ้นมาเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรลักษณ นี่เวลาเดินวิปัสสนานะี่ยไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเป็นคู่คู่เช่นเพลิกับรู้นี่คู่หนึ่งเห็นไหมโกรธกับไม่โกรธคู่หนึ่งโลภกับไม่โลภคู่หนึ่งเนี่ยรู้เห็นเป็นคู่คู่ไวมันจะพลิกไปพลิกมาในคู่ของมันเะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่จะเอารู้สึกตัวเกลียดหลงจ ะ, มมจะเอาความไม่โกรธเกลียดความโกรธจะเอาความไม่โลภเกลียดความโลภ แต่การที่เห็นคู่คู่มันจะทำให้เห็นว่าความโลภโกรธห ล, ลงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปชีวิตเราขาดเป็นท่อนท่อนท่อ น, อ น, อนไม่ใช่มีชีวิตอันเดียวรวดเลยคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนะจะรู้สึกมีตัวเราอันเดียวรวดพวกเราจะรู้สึกปุถุชนทั้งหลายจะรู้สึกและคนซึ่งยังเจริญวิพพานไม่พอจะรู้สึก รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันรู้สึกไหมหน้าตาหลอกเปลี่ยนไปนะแต่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนเดิมด้วยเนี่ยถ้าหทำวิปัสสนาถูกต้องนะจะเห็นเลยว่ามันเกิดดับเป็นขณะขณะชีวิตตะกี้นี้กับชีวิตปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับคนละคนกันเลยขาดาออกจากกันจิตตะกี้หลงจิตตะกี้รู้สึกมันเหมือนคนละคนกันเลยนะเหมือนคนละคนเลย ถ้าดูเป็นนะจะเห็นนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นจิตดวงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นขาดออกจากกันนะั้ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่เหมือนร่างกายนี้คนเก่าเปลี่ยนแต่เสื้อไปเรื่อยๆอันนั้นมีชาติทิจิอย่างพวกเราหลายคนคิดว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งพอตายไปนะเราตัวนี้ออกจากร่างนี้ไปหาร่างใหม่เกิดอีกนี่มีชาติทิจิเพราะว่าทําวิปัสนาไม่เป็นไม่เห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับ เ <N ee> นี่ยถ้างานการที่เราเห็นนะจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามจะเป็นจิตที่รู้หรือจิตที่หลงก็ตามทั้งหมดมีสภาพอันเดียวกันหมดเลยเกิดแล้วดับเหมือนกันในที่สุดปัญญามันเกิดนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นภูมิธรรมพรนะโสดาบันแล้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็าะจะเห็นอยู่นี่เองนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อย นี่พอฝึกมากเข้ามากเข้านะปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นมันเห็นเลยไอ้ตัวที่เกิดแล้วดับเนี่ยตอนที่มันมีอยู่นะมันก็ทุกนะเอ่มันทุกอยู่โดยตัวของมันเองนั่นแหละพอปัญญามันแจ้งนะมันรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันนี่มันทุกหมดเลยนะจิตมันสลัดทิ้งเลยหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมเมื่อจิตหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมแล้วจิตมันเหมือนถอดตัวเองออกมา จะพูดแล้วไม่รู้ภาษาจะเป็นยังไงนะพวงทีมจะพูดในมุมหนึ่งมันเหมือนจับมันกว้างทิ้งไปเลยนะมันโยนจิตทิ้งไปอีกมุมหนึ่งนะเหมือนมันถอดออกมามันหลุดออกจยกกันนะหลุดออกจากกันแต่เดิมมันหลุดออกจากกันสมมุติมันรวมอยู่ด้วยกันอย่างนี้จิตกับขันมันรวมอยู่ด้วยกันพอภาวนาเห็นขันเป็นทุกข์นะเหมือนจิตมันถอดออกมาแต่พวกเราภาวนาเราเห็นจิตถอดออกมาแยกออกมาจากขันเป็นสองส่วนใช่ไหม อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าขั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นเนี้ยถอดออกมาแล้วนะตน้นงจะทิ้งตัวนี้ด้วยทิ้งไปตัวนี้ก็ทิ้งไปแล้วปรากฏว่ามันมีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งคือธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันจะซึมซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดิมจิตเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงนี่คนดีมากแล้วนะดวงแค่เนี้ยพวกเทวดาลุกเทวดารัศมินี่เดินแค่นี้ เล็กเท่าดาวเองบางคนภาวนามานานนะเท่ากับล้อล้อเวียนล้อรถบทถนนนี่ลัศมีไม่เท่ากันแต่มีความมีเขตอยู่ตรงที่มันเข้าถึงาธาตุรู้จริงๆริาธาตุรู้เนี่ยซึมสั้นไปในทุกสิ่งทุกอย่างาธาตุรู้นะคล้ายๆอากาศสาธาติแต่อากาศสาธาติไม่ใช่าธาตุรู้อากาศสาธาติเป็นช่องว่างอากาศสาธาติเนี่ยซึมสัน้นเข้าไปได ใ, ในพัดนี้ก็มีอากาศสาธาติ มันซึมซ่านเข้าไปในแผ่นดินที่วมีอากาศสาุท่าซึมซ่านอยู่บนธะาตุรู้นี่ก็ซึมซ่านคล้ายๆกันแต่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้จะเรียกว่าจิตไหมมันก็ไม่ใช่จิตที่เคยเห็นเป็นธาตุรู้แล้วแต่จะเรียกชื่อเป็นเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของนไม่มีเจ้าของไม่มีขอบ ไ, ไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งถามว่าธาตุรู้รู้อะไรธาตุรู้รู้ธรร ดูนิพพานมนะนิพพานเนี่ยครอบโลกครอบจักรวาลสึมสั้นไปในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเรียบเลยแต่เป็นอีกสภาวะหนึ่งนะพูดแล้วฟังยากพวกคิดมากอยากเรียนเยอะๆ <c oughs> ไอพาวนาวเองนะเราจะเห็นงั้นสรุปก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ได้สอน เพื่อให้เห็นจิตเดิมแท้ท้านสอนเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้วเราก็จเจริญสติไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจของเราก็พัฒนาเป็นลำดับลําดับไปเบื้องต้นก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ควรยึดมั่นหรอกแต่มันยังยึดมั่นอยู่นะเบื้องปลายนี่แหละมันหมดความยึดมั่นจริงๆแล้วมันก็จะไปเห็นจิตที่เป็นอิสระเราอย่าไปพูดถึงจิตเดิมแท้เดิมเทอาใดฟังแล้วเวียนหัวนะ วาดภาพมันเหมือนมีอะไรลึกลับซ้อนขึ้นมาอย่างหนึง่งไอเรียนขันที่เรียนอยู่เท่านี้ก็จะปางตายแลย้วยังไสร้างจิตเดิมแท้ขึ้นมาอีกดวงหนึ่งนะยุ่งตายเลยไม่มีนะสิ่งที่เป็นอมตะมีแต่พระนิพพานเท่านั้นที่เป็นอมตะอย่าไปวาดภาพว่ามีอะไรที่เป็นอมตะอยู่สุดท้ายมันก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับคือเห็นพระนิพพานเป็นผลหนอกเบื้องต้นเห็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับได้เป็นพระโสดาบัน เบื้องปลายรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับคือพนนันะิพาณหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเจริญสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปนะสังเกตตัวเองไปเรื่อยอกุศลอะไรยังไม่ลนะก็ละซะบ้างขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ตามใจอกุศล น, นะอกุศลดยังไม่เจริญก็เจริญซะบ้างไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยนะหวังว่ามันจะเจริญขึ้นมาตามยถากรรมนะ อย่างเราต้องหัดให้อภัยคนรต้องฝึกเหมือนกันนะไม่ใช่ฉันจเจริญสติอย่างเดียวอะไรนี้ยจะเอาแต่ปัญญาบที่กิเลสเล็กกิเลสน้อยไม่ยอมละนะจะเอาแต่ปัญญาในะที่สุดกลายเป็นวิชฉาทิฏฐิศีนฉันจะไม่ถือหรอกฉันทีมีแต่สติมีแต่ปัญญาต้กลายเป็นวิชฉาทิฏฐิง่ายๆนะหลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งไม่ถือสีนนะสอนลูกไม่ให้ถือศีนด้วยบอกไม่จําเป็นเราดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผลก็พอแล้วนี่สอนลูกอย่างนี้ ดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลตามใจกิเลสเนี่ยวงเล็บไว้ด้วยอะ่ะไม่มีศีลนะ่ะเพราะฉะนั้นอกุศลเล็กๆน้อยๆ น, นะเราก็ต้องรู้ทันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามใจมันกุศลแะแม้แต่เล็กแต่น้อยนะเราก็ต้องคอยดูแลรักษามันคอยดูมันไปมีสติพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเข้าไปคลุกคลีพัวพันอยู่กับอา ร, รมณ์ต่างๆคอยรู้ทันท่มันถอดถอนออกมามเข้าถึงความผงแพ้วของมัน นี่ละชั่วทำดีทําจิตผองแผ่วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยฝึกของเราทุกวันทุกวันมีอยู่คนหนึ่งนะเอาธรรมะไปอ้างในทางที่ผิดขอยกเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา <c oughs> บอกว่าชอบกินเป็นคนชอบรับประทานนะกินทุกอย่างที่กว้างหน้าแบบเจออะไรอยากกินไปหมดเลยนะนี่พอมาเรียนกรรมฐานนะอยากรู้ว่าอยาก รู้ว่าอยากเริ่มเก่งแล้ว อ, อยากกินรู้ว่าอยากนะแต่คราวนี้ปัญญามันล้ําหน้าแนะล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปฝืนมันนะเป็นอัตตะกิรมตะนุโยกกินเข้าไปเลยนะดู ด, ดูเอาธรรมะไปอ้างนะกินจนกินไม่ไหวแล้วอ่ะนะก็ยังจะต้องกินเพื่อจะไม่ให้เป็นอัตตะกิรมตานุโยคนะไม่ใช่นะอย่างนั้นอ้างธรรมะเพี้ยนเพีย น, ยนลนะเรากินเมื่อมีเหตุผลสมควรกินนะไม่ใช่กินเพราะกลัวเป็นอัตตะ กิลมัฏฐานุโยคงั้นเรียนธรรมะนะค่อยฝึกเอามีสติรู้กายรู้ใจไปแล้ววันหนึ่งก็พ้นจากความทุกข์พอพ้นทุกข์นะมีความสุขเยอะมีความสุขได้ ร, รู้เลยว่าที่ท่านบอกนิพพานังปรามังสุขขังเป็นยังไงนิพพานังปรมังสุญญังเป็นยังไงนิพพานเป็นสุญญาตาเป็นมหาสุญญาตาิ ทางศาสนาพุทธไม่ใช้คําว่ามหาสุญญาตาใช้บรมมสุญญาตาเรืยอปรมังูสุญญาาังเาะฉะนั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะเห็นบรมมสุญญาตานี่สร้างศัพท์ใหม่แค่ปวดหัวหนากกว่าเก่าอีกแค่มหาสุญญ า, าก็เวียนหัวจะแย่แล้วนั่นแค่มหาระดับมหาเท่านั้นบรมนี่ใหญ่กว่า <c oughs> มีความสุขแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะ นิพพานไม่ใช่ว่าสุญญตาของนิพพานแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐินิพพานมีนะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนิพพานมีอะไรมีสภาวะของนิพพานคือสันติมีความสงบนิพพานสงบจากอะไรนิพพานสงบจากกิเลสนิพพานสงบจากขันนิพพานสงบจากความปลุงแต่งนิพพานสงบจากทุกขูกไหมมีมีลักษณะงมันนะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ใช่สุญญตาแล้วคือไม่มีอะไรเลยอนั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วนิพพานมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนิพพานรู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้แต่จิตที่จะรู้นิพพานนะันต้องเป็นจิตชั้นดีหน่อยเป็นจิตตอนที่เกิดมรรคเกิดผลหรือเป็นจิตที่เป็นมหากริยาจิตมหากริยาจิตบางดวงนะจะไปรู้นิพพานเรียกว่าผลจิตชื่อมันเยอะนะชื่อมันเยอะ แต่พลจิตก็ไม่จัดเป็นมหากริยาจิตนะถ้าพูดอย่างอริธรรมเพระพลจิตประกอบด้วยฌานมหากริยาจิตเป็นจิตของคนธรรมดาอย่างเงี้ยจิต ท, ที่อยู่ในกามาวาจรผูมเรียนมากไปก็ยุ่งทั้งที่ดีนะเรียนเรื่องตัวเองรู้จิตรู้ใจตัวเองเรื่อยๆไปแล้วว่าหนึ่งมีความสุขทําไมหลวงพ่อมาพูดได้ชอชอ่ชอชอชช่ตอนเรียนไม่ได้เรียนอย่างนี้นะตอนที่ไปเรียนจากหลวงปูดูลนั้นท่านสอนทีเดียวให้ไปดูจิตตัวเอง ดูไปเรื่อยๆแล้วท่านยังบอกอีกนะท่านรู้ว่าเราเป็นคนชอบมีความรู้เยอะบอกอา่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ไม่ยากนะครับปฏิบัติไม่ยากอา่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองแล้วก็บอกดูจิตไปเรื่อยๆแล้วมันจะพอหรือครับหลวงปู่มันจะแจ้งในธรรมะหรือครับหลวงปู่บอกว่าธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี้ต่างหากละ่ะ เพราะเรียนเรื่องจิตนะเข้าไปถึงจิตที่บริสุทธิ์ปุตผองแล้วอย่า ก, กลัวว่าจะไม่รู้ธรรมะเลยเพราะนั้นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยจากจิตพระพุทธเจ้านะจิตพระสาวกสองธรรมขันธ์สามธรรมขันธ์ก็บุญแล้วล่ะนะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรอกนะพระสาริบุตรท่านก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยจะไม่เท่า พระพุทธเจ้าไม่เท่าพระมหาสาวกพระอัครสาวกหรอกแต่ว่าความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตนั้นเท่ากันคนทุกข์เท่ากันคนทุกข์พ้นกิเลสเหมือนเหมือนกันแต่ความรู้ความเข้าใจหรอกไม่เท่ากันนี่เราไม่ต้องกลัวว่าเรียนธรรมะน ะ, จะเจริญสติแล้วจะไม่มีความรู้มันจะมีความรู้พอดีพอดีสําหรับเรานะความรู้ที่ไปคิดคิดเอาเองนะความรู้ที่เฝือไปเป็นความรู้ที่สร้างภาระให้จิตนําความทุกข์มาให้ แล้วเราหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันจะพอดีพอดีกับตัวเราเองเป็นความรู้ความเข้าใจที่ใช้เพื่อความปนถูกได้บางคนสะสมมาก็แตกฉานมากบางคนไม่ได้สะสมมาทางสติทางปัญญาแลก็ไม่แตกฉานรู้แล้วก็เอาตัวรอดไปคนเดียวพูดไม่เป็ น, นอย่างบางบางท่านเราเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์เราไปหาท่านนะี่ยท่านก็ไม่พูดอะไรมากนะท่านก็บอกมีสติไปสิบางองค์ท่านก็บอกดูจิตไปสิอนะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าจริงๆท่านอาจจะรู้เยอะก็ได้ไม่ใช่ว่าท่านพูดนิดเดียวแล้วก็ท่านรู้น้อยไม่ใช่พูดเยอะอย่างหลวงพ่อเรารู้เยอะนะอหลวงพ่ออาจจะโง่มากก็ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกบางท่านท่านไม่พูดอย่างหลวงปู่ ด, ดูลไม่ค่อยพูดนะแต่ความรู้ของท่านอาศัศจรรย์อศัศจรรย์มากมเลยหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านที่สองที่เหมือนหลวงปู่ ด, ดูลเลยคือหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยถ้าเราจะเรียกนกรรมฐานจากท่านท่านชี้ขาดได้เลยว่าคนเนี้ต้องทำกรรมฐานอะไร อย่างบอกบางท่านเลยนะพอนางไงจิตเขาไม่รวมหรอกนะให้ไปดูผมเส้นเดียวต้องเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่รวมนะต้องเส้นเดียวสอนหลงพ่คืนอย่างนี้จิตท่านไม่สงบแล้วสอนให้ดูผมเส้นเดียวได้สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อคืนน้อยใจโอ้ทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นให้ดูกายทั้งกายเขาดูทั้งตัวเลยนะของเราให้ดูผมเส้นเดียวหลวงปู่ไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่เอาน้อยไป ได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นดูทั้งตัวนะดูบ้างดูไปเรื่อยๆนะดูดูดูผมทั้งศีรษะเลยนะมันหายไปเฉยๆดูเห็นหนังหนังศีษะดูไปทะลุนะเห็นหัวกระโหลกหัวก็ดูไปอีกหัวขาดเหลือแต่ตัวเนี่เหลือแต่ตัวแนละ้วดูไปเรื่อยๆนี่เสียเวลาเผาเลยกําหนดจิตเผาเผาเผามันไม่ไหม้นะมันแค่กลิ่มๆเผาอยู่นั่นแหละตลอดพรรษาเนีเผาอยู่นั่นแนะนนะนนะมันไม่ไหม้ ี่เรื่องของสมถานนะอย่างนึกว่าวิปัสสนาณะ์นะเป็นอุบายในการปฏิบัติแบบหนึ่งเท่านะั้นไม่ใช่ทุกคนต้องทำเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบต้องบอกไว้ก่อนนี่จนออกพรรษานะวันหนึ่งท้อแท้ใจไม่รู้จะทาอะไรแล้วไปดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมเลยวันนั้นจิตรวมเลยพอจิตรวมแล้วเนี่ยมันย้อนมารู้กายรู้จิตมันจเจริญวิปนะัสสนาแล้วก็ผ่านไปก็เข้าใจธรรมะได้รวดเร็ว เห็นอยู re no no so ่คนเดียวนะคือหลวงปู่ดุลนอกนั้นยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นงั้นพวกเราเกิดไม่ทันท่านบางคนเกิดทันท่านแต่มัวไปยุ่งอยู่ที่อื่นไม่เจอท่านบางคนเจอท่านนะแต่เนึกว่าหลวงตาแก่เป็นพระวัดบ้านไม่น่านับถือเป็นพระปริยัตเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าขุนอย่างนี้ทางอีสานเรียเจ้าฟ้าเจ้าขุนเป็นพระเจ้าขุนดูแล้วก็งั้นๆเสียโอกาสบางคนมาคุยอวดนะเจอท่านแต่เด็ก เจอไปทําไมเจอแล้วก็ไม่ได้อะไรบอกท่านเคยเป่าหัวโถ่เอ้ยถ้าเจอแล้วได้ธรรมนะแล้วค่อยหน้าชื่อนอกชื่นใจถ้าเราภาวนานนะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาชี้ขัดเราว่าคนนี้ไปดูลูกกตาข้างซ้ายคนนี้ไปดูหูขวาอะไรเงี้ยเราไม่มีแล้วเราก็ภาวนาจับหลักให้แม่นหลวงพ่อสอนหลักเห็นไหมสอนหลักของการปฏิบัติให้ นะทำสมถะนะเลื่อกอารมณ์เอาอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่าปเป็นเรื่องอารมณ์ไม่กุศลต้องเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขที่ใจมันพอใจจิตใจมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ได้บังคับพอมันไม่ได้บังคับมันมันสงบเลยถ้าบังคับอยู่จะไม่สงบนะถ้าอยากทำํำวิปัสสนานะฝึกให้มีสติให้รู้สึกตัวก่อนพอเรารู้สึกตัวมีสติได้นั้นก็ค่อยรู้กายค่อยรู้ใจไปพอรู้กายรู้ใจแล้วค่อยสังเกต บางทีเวลารู้แล้วจิตถลำลงไปรู้บางทีรู้แล้วจิตอยู่ห่างๆนะให้มันมีสองอย่างก็ยังดีนะไม่ใช่ต้องห่างตลอดถ้าห่างตลอดเนี่ยเพ่งไว่ประคองตัวผู้รู้ไว้ถ้าไม่มีเลยนะัก็คือถลำลงไปรู้ใช้ไม่ได้เหมือนกันให้มันมีสองแบบอย่าเอาแบบใดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีก็มีตัวรู้ขึ้นมาบางทีก็ถลำลงไปรวมไม่ใช่เอาอันเดียวหลวงพ่อเนี่ยเคยสงสัยตั้งแต่สมัยเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วมันแยกได้สองอันเราจะดูอันไหนจะเอาอันไหน ขยับขยับจะถามหลวงปู่นะแล้วก็ไม่ถามเนี่ยเอาไว้ดูก่อนนะขยับอยู่ปีกว่าหลวงปู่ก็สิ้นไปเรียนจากหลวงปู่เทศนะขยับอยู่อีกหลายปีเลยยังไม่ถามเดี๋ยวรอดูก่อนจนท่านสิ้นไปอีกนะหลวงปู่สิมก็สิ้นไปหลวงพ่อพุทธก็สิ้นไปจนองสุดท้ายที่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนท่านคือหลวงปู่สุวัตก็สิ้นไปแล้วตายแล้วหว่าอาจารย์หมดแล้วนะอาจารย์ที่ยังเหลืออยู่นี่เข้าไม่ถึงลนะอย่างบางองค์บารมีท่านมากเลย คนแวดล้อมเป็นหมื่นเป็นแสนเราเข้าไม่ถึงแล้วเราก็ดูเอาใ น, นสวดรู้เลยไม่ได้เอาตัวนี้ไม่ได้เอาตัวนี้ไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวเลยแต่เห็นเลยมันเกิดแล้วมันดับทุกตัวนั่นแหละทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับในฝึกอย่างนี้ใ น, นสวดเรามีสติรู้กายรู้ใจนะถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเห็นความจริงจิตไหลลงไปขนาดนั้นมีสติอยู่แต่ไม่เห็นความจริงกลายเป็นสมถะ ดังตอนที่เดินวิปัสสนานะจิตจะพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็เป็นวิปัสสนานะเดี๋ยวก็เป็นสมถะแต่ถ้าพอจงใจประคองตัวรู้ปับกลายเป็นสมถะอีกแล้วแต่ถ้ามันแยกขึ้นมาเองนั่นเห็นรูปเห็นนามทางานไปจะเห็นในรูปนามไม่ใช่เราจะทําวิปัสสนาถ้าจิตถลําลงไปรู้รูปนามแล้วไปจมอยู่ในรูปนามไปจมอยู่ในอารมณ์กลายเป็นสมถะเพ่งรูปเพ่งนามนะจะมาประคองตัวรู้ไว้เป็นสมถะเพ่งจิตแต่ถ้าพอมันแยกออกมาโดยไม่ได้เจตนามันจะเดินปัญญา มีหลายแง่หลายมุมนะอันนี้ค่อยๆรู้ไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าฟังหลวงพ่อพูดหน่อยมันก็ได้รัดรัดสั้นหน่อยเอาเปรียบหน่อยความรู้บางอย่างป่าเราจะเข้าใจใช้เวลาทั้งนานเนะอย่างตรงที่สงสัยว่าจะดูตัวรู้หรือดูสิ่งที่ทำงานอยู่สงสัยอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีสงสัยไปเรื่อยๆไม่รู้เอาอย่างไรดีงั้นเราเรียนนะเรียนไปแล้วไม่ยากหรอก พวกเราได้เปรียบหลวงพ่อมากเลยเพราะหลวงพ่อสอนให้ละเอียดยิบเลยนะจนกระทั่งว่ามันทํางานยังไงดูอะไรดูเพื่ออะไรดูอย่างไรสอนหมดแล้วนะดูแล้วจะมีผลอะไรก็บอกนะเห็นไหมครบทุกประเด็นเลยจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วจะได้อะไรตามหมดเลยเหลือแต่ว่าต้องไปทำเอาเองอ่ะไปทานข้าว